ขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวักะทุกๆุกรูปขอเจริญในธรรมกับญาติโยมทุกๆุกคนที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติในโครงการของทุนเล่าเรียนหลวงกอถือว่า การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงนี้ก็เดินระยะทางมาใกล้จะได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ในเวลาระยะทางที่ได้หนึ่งเดือนท่านสามารถตอบตัวท่านเองได้ว่า ที่ท่านมาท่านได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ในใจของท่านเองแต่ผมผู้ที่สอบอารมณ์ให้ท่านแต่ความรู้สึกที่ผมสอบอารมณ์บางรูปที่ผมสอบอารมณ์มีความรู้สึกว่าท่านไม่ยอมวางขขมเก่า ก็คือของเก่าหมายถึงอะไรก็คือของเดิมๆที่ท่านปฏิบัติมาท่านไม่ยอมละไม่ยอมวางถ้าท่านไม่ละไม่วางท่านจะเอาของใหม่ได้อย่างไรท่านมาที่นี้ท่านพกน้ำมาแก้วหนึ่งเต็มมาถึงท่านบอกว่าอาจารย์ผมขอน้าสักหน่อยสิ อาจารย์จะมีปัญญาขนาดไหนไม่สามารถเอาน้าให้ท่านได้เพราะว่าท่านในแก้วของท่านน้ำมันเต็มแต่เมื่อไรท่านเทน้ำในแก้วของท่านออกแล้วท่านเอาแก้วนั่นแหละมารับน้ำใหม่เมื่อนั้นแหละท่านจะได้น้ำใหม่ไปแต่ถ้าท่านไม่วางของเก่านี้ ท่านจะได้แต่ของเก่าท่านมาท่านพกของเก่ามากระสอบหนึ่งพอท่านกลับไปก็ของเก่าก็กระสอบเดิมนั่นเลยท่านได้ของใหม่ไหมไม่ได้ <c oughs> เพราะเหตุอะไรอ่ะ <c oughs> เพราะในกระสอบของท่านท่านไม่ยอมเทออกเพราะฉะนั้นท่านต้องเทออกให้หมดเกลี้ยงของเก่าของท่าน ท่านเทตั้งไว้ตรงไหนไม่มีใครมาขโมยไปได้ท่านจําไว้เลยไม่มีใครมาขโมยไปของเก่าของท่านที่ท่านเทตรงไหนเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่เทท่านจะได้ของใหม่ไปไม่ได้ท่านก็เสียเวลาในครั้งที่แล้วผมได้พูด แยกแยะให้ท่านเห็นว่าอะไรคือเป็นปัญญาของโลกิยะอะไรเป็นปัญญาของโลกุตระอะไรชื่อว่าสุตตมยปัญญาอะไรชื่อว่าจินตมยปัญญาอะไรชื่อว่าภาวนปัญญา อะไรชื่อว่าปริยัตอะไรชื่อว่าปฏิบัตอะไรชื่อว่าปฏิเวทนั่นคือในครั้งที่แล้วอาจจะทวนให้ท่านฟังใหม่ในครั้งนี้ที่คำว่าปริยัตรครั้งที่แล้วที่ผมยกให้ท่านฟัง คำว่าปาริยัตครั้งที่แล้วผมไม่ได้ยกในหนังสือมานะว่าปาริยัตอยู่ในหนังสือแต่ผมบอกท่านว่าปาริยัตอ่ะคือข้อมูลปริยัตคือข้อมูลในหนังสือที่เขาเรียกว่าปาริยัตเพราะในหนังสือมีข้อมูลมีตัวหนังสือข้อมูลนี่แหละเขาเรียกว่าปาริยัต ข้อมูลเรียกว่าปริยัติแต่ถ้าท่านปริยัติในหนังสือนี่ท่านอ่านมากท่านจําได้มากเขาจึงว่าท่านได้สุตามะยะปัญญาสุตะมายปัญญาเกิดจากความจํารู้จำํำชื่อว่าสุตะมะยะปัญญารู้จํา นะชื่อว่าสุตมยะปัญญาปัญญานั้นชื่อว่าโลกิยปัญญาเพราะปัญญามาจากการรู้จําจากในตํหรับตําราพระพุทธเจ้าจบ18ปศาสตร์นั้นก็ชื่อว่าโลกิยปัญญาพระพุทธเจ้าเลยทิ้งทั้ง18ปศาสตร์เพื่อจะไปหา โลกุตตระปัญญาต้องทิ้งสิบแปดศาสตร์ออกจากวังไปสู่ต้นสีมหาโพเพื่อสแสวงหาโลกุตตระปัญญาแล้วปัญญาที่ท่านศึกษาจากสุตตมยปัญญานี่แหละจากการอ่านการอะไรแล้วท่านมานั่งตีความ เออมันน่าเป็นอย่างนั้นมันน่าเป็นอย่างนี้ท่านนั่งตีความอยู่อย่างนั้นน่ะชื่อว่าจินตามายปัญญาชื่อว่าจินตามายปัญญานะปัญญานั้นก็ชื่อว่าโลกิยปัญญาเพราะปัญญานั้นมาจากความคิดจากความปรุงแต่งจากความสร้างสรรค์ขึ้นมาของตัวท่านเองไม่ใช่เป็นความคิด ไม่ใช่เป็นความคิดของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เป็นความคิดของท่านเองแล้วพระพุทธเจ้านี่รู้ทำด้วยการคิดไหมไม่ใช่นะท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ธทำด้วยการคิดไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านอย่าตั้งในใจถามอ๋อแล้วผมรู้ได้อย่างไรอะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ทำด้วยการคิด เอาเพราะความคิดนะมันคือตัวอวิชชาไงตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าตัวอวิชชาก็เป็นพพเป็นชาติเป็นชราเป็นโมรณะเป็นวัตฏะสงสารก็เป็นตัวสัมมุทัยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละสัมมุทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัตรู้ธรรมด้วยการคิดแน่นอนไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมด้วยความจริงด้วย ความจริงปัญญานั้นเป็นปัญญาเกิดจากความจริงท่านต้องฟังให้ดีนะปัญญาเกิดจากความจริงคืออะไรปัญญาเกิดจากข้อมูลที่การอ่านของท่านชื่อว่าสุตมยปัญญาปัญญานั้นเป็นโลกิยะ อ่านตำราอ่านข้อมูลข้อมูลนั้นแหละชื่อว่าปาริยัติถ้าท่านอ่านในหนังสือก็อ่านข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นเรียกว่าสุตะมายาปัญญาปัญญาเกิดจากการรู้จำแล้วพอท่านมานั่งตีความมานั่งคร้ครวนด้วยความคิดของท่านเรียกว่า จินตมยปัญญาเรียกว่าจินตมยปัญญาปัญญานั้นมาจากการตีความการตีความก็เป็นโลกิยาปัญญาเป็นโลกิยาส่วนปัญญาที่เป็นโลคุตระปัญญานั้นปัญญาที่สิ้นคิดปัญญาที่สิ้นคิด ปัญญาที่สิ้นหวังปัญญาที่ไรเหตุผลไม่มีความคิดเข้าเจือปนไม่มีความหวังเข้าเจือปนไม่มีเหตุผลเข้าไปเจือปนเมื่อ น, นั้นแหละเป็นปัญญาในใจของท่านท่านก็ยังคิดอีกและปัญญาผีอะไรด้วยที่ไม่คิดแล้วมันเกิดปัญญาได้ทนอาจจะคิดอย่างนั้นเยเพราะท่านไม่เคยได้ยินคาว่าถ้าไม่คิดแล้วปัญญามันเกิด ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่พอวิปัสะนาพอวิปัสะนาปัญญาเกิดจากความจริงที่ท่านรู้สึกท้องพองยุบไหมท่านคิดไหมให้มันพองให้มันยุบเออไม่ได้คิดนั่นคือความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกและท่านรู้ไหมท้องพองต้องยุบรู้คนรู้ความจริงงูหรือปัญญาปัญญาร้อยเปอเซน ปัญญานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความจริงเกิดจากความจริงพอเกิดจากความจริงที่ท่านกำหนดว่าพองกำหนดว่ายุบบอกแล้วว่าไม่เกินไม่ขาดไม่เหลือจึงชื่อว่าภาวนามายปัญญาเมื่อไม่ขาดไม่เหลือเมื่อไม่ขาดไม่เหลือตรงนั้นแหละท่านจะเห็นชัดของการพองการยุบมันเคลื่อนไหวมันเป็นอยู่อย่างไร จึงชื่อว่าผลคือปฏิเวทท่านเข้าไปถึงลักษณะของท้องพองยุบอาการคือพองคือยุบแต่ลักษณะที่มันพองกว่าจะสุดพองยุบกว่าจะสุดยุบนั้นมันเป็นลักษณะเมื่อท่านเข้าถึงลักษณะจึงชื่อว่าปฏิเวทเพราะฉะนั้นปริยัติก็คือท่านศึกษาข้อมูลที่มันพองมันยุบอยู่ส่วนปฏิบัติท่าน คำว่าภาวนานี้กายวาจาใจต้องตรงกันพองพองจริงยุบยุบจริงไม่ขาดไม่เหลือกันคำว่ากายวาจาใจจึงชื่อว่าภาวนามยปัญญาเมื่อภาวนามยปัญญาที่ท่านรู้ความจริงอยู่ตรงนั้นแหละเท่ากับสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เหตุอะไรที่ว่าสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เพราะท่านไม่ได้ตีความ ท่านไม่ได้ไปหวังท่านไม่ได้ไปหาเหตุผลแต่เมื่อไรถ้าท่านไปหวัง ม, มันต้องพองอย่างนี้นะมันต้องยุบอย่างนี้นะท่านต้องไปหวังมันมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันพองแบบนี้ล่ะไปหาเหตุผลมันอีกเฮ้ยทำไมมันยุบแบบนี้ล่ะมันไม่เป็นภาวนาเหตุอะไรที่ไม่เป็นภาวนา เพราะท่านนั่งคิดนั่งหวังนั่งหาเหตุผลแทนที่มันจะเป็นภาวนามยปัญญามันเปลี่ยนเป็นจินต า, ามยปัญญาทันทีมันจะเป็นภาวนามยปัญญาไม่ได้มันเป็นจินตามยปัญญาทันทีเป็นโลกียะทันทีเป็นโลกียะทันทีนะเป็นปัญญาโลกียะทันทีแต่พอท่านรู้จริงมันพองพองอย่างไรมันยุบยุบอย่างไรไม่ตีความไม่ไปคิดเสริมไม่ไปหาเหตุผลไม่เสริมไม่สร้าง นั่นแหละจึงชื่อว่าภาวนามายปัญญาเมื่อภาวนามายปัญญาตัวนั้นคือที่เข้าไปรู้ชัดคือตัวสติสัมปชัญญะล้วนๆโดยความคิดไม่เข้าไปเจือเลยในตรงนั้นน่ตรงนั้นแหละจึงชื่อว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงในปัจจุบันเท่ากับรู้รูปรู้นามรู้ความเป็นจริงจึงชื่อว่าพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบาน อยู่ในคำว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทของรูปของนามตรงนั้นเลยนั่นแหละคือการรู้จริงเมื่อรู้จริงอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลกุตตระนะเป็นปัญญาโลกุตตาระเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเข้าไปตีความไม่ต้องหวังเพราะฉะนั้นปัญญาคือปัญญาที่รู้จริงนะให้ท่านจำไว้ ที่ท่านให้กาหนดวิปัสสติครูบาอาจารย์มาสอนนี่ให้ท่านรู้จริงตลอดที่ท่านปวดนะท่านไม่ได้คิดให้มันปวดแต่มันปวดของมันเองท่านไม่ได้คิดว่ามันปวดท่านไม่ได้หวังว่ามันปวดแต่มันเกิดของมันเองที่ปวดอ่ะพอปวดอย่างนั้นท่านกำหนดตัที่ปวดหนอที่ปวดนั่นแหละเขาเรียกว่าข้อมูลเป็นข้อมูลแล้ว ถ้าท่านไม่ปวดท่านจะไปหาข้อมูลที่ไหนได้เพราะฉะนั้นปวดคือข้อมูลถ้าปวดนั้นคือข้อมูลเขาเรียกว่าปริยัตเพราะอะไรเพระข้อมูลข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความจริงในปัจจุบันที่ท่านกําหนดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะนั่นแหละชื่อว่าปริยัติแต่เมื่อท่านกําหนดไม่ขาดไม่เกิน ไม่เสริมไม่สร้างปวดยังไงกำหนดเลยปวดหนอปวดหนอปวดหนอแต่ถ้าเมื่อไรท่านหวังยทำไมมันปวดอย่างนี้วะเมื่อไรมันหายไม่เราเป็นโรคอะไรท่านไปนวินิจฉัยไปหาเหตุผลไปหวังกลายเป็นจินตะทันทีนะกลายเป็นจินตมามยะปัญญาทันทีกลายเป็นโลกิยะปัญญาอีกโลกิยะปัญญาอีกเพราะท่านไปตีความในฐานเวทนา พอท่านตีความมันเป็นจินตะทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อปวดท่านต้องรู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปวดปวดหนอปวดหนอรู้อย่างไรเอาอย่างนั้นไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องหวังรู้ความจริงไปทันทีรู้ไปมันปวดแบบไหนเอาแบบนั้นไม่ให้ขาดไม่ให้เกิน ไม่ต้องเสริมไม่ต้องสร้างมันปวดขนาดไหนเอาแบบนั้นไปเมื่อเอาแบบนั้นแหละเท่ากับท่านเป็นภาวนามายปัญญาไม่ใช่เป็นกินตะนะเป็นภาวนามายปัญญาเมื่อภาวนามายปัญญาตรงนั้นน่ะท่านจึงเห็นปวดเนี่ยเห็นถึงลักษณะในการปวดตรงนั้นเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่อย่างไรในปวด จึงเป็นปฏิเวทเป็นปฏิเวทรู้แจ้งแทงตลอดในฐานเวทนาตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นโลกุตระมยะปัญญาเป็นโลกุตระทันทีนะระหว่างคิดกับจริงแค่นั้นเองถ้าคิดปุ๊บโลกิยททกะทันทีจริงโลกุตระทันทีเพราะฉะนั้นคือให้ท่านรู้ความจริง ท่านต้องรู้ว่าอ้ที่ครูบาอาจารย์มาสอนนี่ปัญญารู้จริงไม่ใช่ปัญญารู้คิดเพราะแต่ละรูปมักจะว่าคนเรามันต้องคิดก่อนต่อปัญญามันเกิดถ้าไม่คิดปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะท่านเคยได้รับแต่การสั่งสอนมาอย่างนั้นบอกว่าคนเราต้องคิดต่อปัญญามันเกิดผลที่สุดปัญญานั้นเลยต้องเถียงกันทั้งเมืองอะเถียงกันไม่จบอะ่ะเถียงไม่จบ แต่พอท่านรู้ความจริงเนี่ยมันไม่ต้องเถียงกับใครปวดปวดอย่างไรไม่ต้องเถียงนั่นรู้ความจริงรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวิปัสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงปัจจุบันแต่พอท่านตีความมันไม่อยู่ปัจจุบันแล้วมันพ้นไปแล้วมันหวังแล้วไม่ได้อยู่ความจริงแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ความจริงรู้อย่างไรอ่ะเอาอย่างนั้นแล้ววิธีการกําหนดท่านต้องให้ได้สองขนาน ขนาหนึ่งขนานหนึ่งอาการขนานหนึ่งคือลักษณะเวลาท่านสอบอารมณ์กับผมนี่ผมจะถามเป็นไงอาการพองยุบเป็นอย่างไรลักษณะในพองยุบเป็นอย่างไรอาการพองยุคแต่ลักษณะที่มันอยู่ในพองในยุคเป็นอย่างไรแต่เวลาท่านไปตอบพองยุคแค่นั้น ท่านรู้แต่ أ ا อาการรู้แต่อาการนี่แค่ได้เปลือกไม่เจาะถึงข้างในแค่ได้เปลือกไม่ได้เจาะถึงข้างในถ้าเจาะข้างในต้องเห็นถึงคําว่าลักษณะท่านพองอะรู้ว่ามันพองมันพองขึ้นแบบไหนอไหวจะสุดพองมันยุบมันยุบแบบไหนไหว่าจะสุดยุบนั่นแหละตัว ลักษณะแต่อาการพองอาการยุบแต่ลักษณะที่อยู่ในพองในยุบตัวนั้นแหละที่เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละคือมันแทงตลอดของความเป็นใจลักษณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น นั่นแหละตัวนั้นแหละคือสําคัญที่ท่านจะเห็นตรงนั้นได้ท่านต้องจดโจจริงๆนะท่านต้องเอากับมันจริงๆต้องสู้กับมันจริงๆต้องดูกับมันจริงๆท่านไปคิดเมื่อไรความคิดปิดบังความจริงความคิดปิดบังความจริงไปหวังเมื่อไร่จะหายไม่ทําไมเป็นอย่างนี้ความคิดนั่นแหละจะปิดบังทันทีเพราะความคิดนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากโลอุตรค์มาเป็นโลกียะ พอท่านไปคิดปุ๊บเป็นโลกียะทันทีคิดยังไงก็เป็นโลกียะเพราะเท่ากับเป็นวิจิกิจฉามันเข้ามาตลอดเท่ากับเป็นตัวอัตตาตัวตนเฮ้ยทําไมมันปวดแบบนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอัตตาอยู่ตลอดเท่ากับเป็นโลกียะตลอดเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่รู้จริงรู้เข้าไปรู้อาการรู้ลักษณะรู้อาการรู้ลักษณะท่านรู้ว่าปวดปวดหนอะ ปวดคืออาการแต่ลักษณะในปวดเป็นแบบไหนลักษณะในปวดมันเป็นแบบไหนล่ะเออลักษณะในปวดท่านเคยดูไหมพอปวดปวดหนอนั่นแหละเท่ากับท่านกำหนดข้อมูลชื่อว่าปริยัติแต่พอท่านกำหนดไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินชื่อว่าปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตรงนั้นแหละนะชื่อว่าโลกุตระปัญญาเพราะอะไรเพราะรู้ความจริงรู้รูปรู้นามโดยไม่ขาดไม่เสริมไม่สร้างไม่หวังรู้ความจริงไปเมื่อท่านรู้ความจริงท่านจะเห็นความเป็นจริงในปวดตรงนั้นแหละว่าปวดมันเคลื่อนไหวอยู่อย่างไรมันตึงมันย่อนมันร้อนมันแข็งมันเคลื่อนไหวมันเป็นก้อนอยู่อย่างไรที่ท่านรู้ นั่นแหละชื่อว่าปฏิเวทในตรงนั้นแหละชื่อว่าปฏิเวทที่ท่านเข้ารู้ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่ปรุงแตง่งถ้าจิตของท่านปรุงแตง่งท่านจะเห็นเลยจิตมันรวนพอจิตมันรวนมันจะไม่เห็นชัดในเวทนาในเวทนาไม่เห็นชัดเพราะฉะนั้นท่านต้องกําหนดจริงๆผมบอกว่าต้องกําหนดจริงๆต้องกําหนดจริงๆกําหนดเพื่ออะไรเพื่อรู้อาการแล้วก็ลักษณะ ถ้ารู้อาการรู้ลักษณะนั่นท่านมีสติสัมปชัญญะมั่นคงถ้ามีสติสัมปชัญญะมั่นคงพระพุทธเจ้าที่สามารถบรรลุธรรมบรรลุด้วยอะไรก็ด้วยสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จเจริญสติไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้จเจริญความคิดนะท่านพระพุทธเจ้าสอนให้จเจริญสติจึงชื่อว่าจเจริญ มหาสติประทานซีอยู่ที่ฐานกายฐานเวทานาฐานจิตฐานธรรมไม่ใช่ให้เจริญความคิดไม่ใช่ให้นั่งตีความไม่ใช่แต่ถ้าท่านเป็นแบบนักวิชาการน่ะตีความอยู่เลยตีความอยู่เลยตีไม่จบอ่ะตีเท่าไหร่ตีไม่จบอ่ะแต่พอรู้จริงจบรู้จริงจบไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องไปหวังมันเป็นอย่างไรต้องสิ้นคิดสิน้นหวังไรเหตุผลรู้จริงอ่ะมันจบแล้ว เพราะไม่มีวิจิกิจฉาแล้วพอจิตเหมือนกันนะท่านรู้สึกโกรธโกรธหนออาการน่ะคือโกรธอากาศน่ะคือโกรธโกรธเนอแต่ลักษณะที่มันอยู่ในโกรธอ่ะมันคูคูแฝบแฟบอย่างไรมันเพิ่มขึ้นอย่างไรมันลดอย่างไรท่านจะรู้เลยอโกรธมันเป็นอย่างไรท่านจะเห็นถึงลักษณะนะเวลาท่านโกรธอ่ะท่านจะเห็นมันขยายขึ้นอย่างไรความโกรธมันขยายขึ้นอย่างไรมันลดอย่างไง ท่านจะเห็นนั่นคือล yep. ักษณะแต่พออาการโกรธแต่ล yeah. ักษณะในตัวโกรธก็ต่างกันนะตัวโกรธก็ต่างกันพอท่านเบื่อท่านต้องกำหนดนะเบื่อหนอทันทีเบื่อหนออาการคือเบื่อแต่พอลักษณะในความเบื่อพอเบื่อมันรู้สึกมันขี้เกียจมันเซ็งมันหูมันอยากหลบมันอยากหนีมันคู่คูแฟบแฝบอยู่อย่างไรอย่างเวลาท่านรู้สึกเบื่อ พอผมพูดอย่างนี้ท่านรู้รู้เลยอ่อเออเวลาท่านรู้สึกเบื่อยังไงไม่อยากกําหนดอยากจะลุกอยากจะไปอยากจะทำนั้นนั่นเองอาการของความเบือ่อลักษณะมันจะปรากฏเลยอาการคือเบือ่อแต่ลักษณะที่มันซ่อนอยู่ในเบือ่อต้องกําหนดนะถ้าไม่กําหนดไม่เห็นที่ท่านกําหนดว่าเบือ nó, บ่อเนาเบือ nó, บ่อเนอโกรธเนอโกรธเนานั่นคือข้อมูล น, นะข้อมูลในฐานจิต ข้อมูลในฐานจิตชื่อว่าปริยัติชื่อว่าปริยัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าไม่ให้โกรธนะไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสอนว่ามีสติรู้เท่าทันในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมในปัจจุบันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้โกรธท่านโกรธได้แต่ท่านกําหนดรู้ใว้ท่านพอรู้ท่านนี่ท่านจะรู้ว่ามันกูกูแฟบแฝบอย่างไร นั่นเนี่พอท่านรู้ท่านจะเห็นมันลดลดอย่างไรพอท่านมีสติมันลดอย่างไรพอท่านเผยสติมันฟูอย่างไรอท่านสามารถรู้ไปตรงนั้นนั่นแหละพอท่านกําหนดรู้อย่างนั้นชื่อว่าปริยัติแต่พอท่านกําหนดกําหนดโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอนั่นแหละเป็นภาวนาเป็นภาวนาทันทีแต่พอท่านกําหนดไม่ทำไมโกรธอีกไม่คนนั้นทําให้เราโกรธคนนี้ทําให้เราโกรธ จิตปรุงแต่งฮะพอจิตปรุงแต่งเป็นจินตาอีกเป็นจินตาอีกมันจะเป็นโลกุตระปัญญาไม่ได้อีกมันก็เป็นจินตาอีกเพราะฉะนั้นบอกโกรธโกรธหนอโกรธหนอไม่ต้องไปสงสัยมันเฮ้ยทำไมมันจึงโกรธเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นไม่ต้องถ้าโกรธโกรธหนอโกรธหนอเบื่อเบื่อหนอเบื่อเนอเบื่อเนาะกำหนดทันทีกําหนดรู้ไปตาม อาการที่มันเป็นถ้าท่านกำหนดตัณฑท่านจะเห็นถึงลักษณะของจิตของจิตในจิตมันเป็นอย่างไรท่านอาจจะไม่เข้าใจอีกจิตในจิตมันเป็นอย่างไรจิตในจิตเป็นอย่างไรนี่ๆๆสมมุติดอกไม้ในเจกันน่ะท่านดูตั้งหลายสีเจกันน่ะเปรียบเสมือนจิตเจกันน่ะเปรียบเสมือนจิตเจกันะเปรียบเสมือนจิตแล้วก็ดอกไม้อ่ะ คืออารมณ์ที่มันอาศัยอยู่ในจิตอารมณ์ก็มีอะไรความโกรธความหลงความเบือ่อความเซงความฟุ้งอะไรต่างๆถ้าดอกไม้สีแดงเปรียบเสมือนโทสะท่านเห็นดอกไม้สีแดงแล้วท่านไม่เรียกว่าสีแดงแล้วท่านจะไปเรียกว่าอะไรถ้าท่านเห็นดอกไม้สีเหลืองเปรียบเสมือนโลภะถ้าท่านไม่เรียกว่าสีเหลืองแล้วท่านจะไปเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียกให้ตรงสี เรียกไอ้ร ง, งสีถ้าโกรธท่านก็ต้องไปเรียกโกรธเนาะถ้าท่านเบื่อเบือ่อเนาะเบือ่อเนาะท่านเซ็งเซ็งเนาะเซ็งเนาะท่านหดูหดูเนาะหดูเนาะหดูเนาะเรียกไปตามอาการที่มันเป็นที่มันเป็นเพราะอะไรเพราะมันอาศัยอยู่ในจิตแต่บออาศัยอยู่ในจิตมันโผล่เพราะมันโผล่ต้องาตัวโทสะนี้โผล่เปรีรยบเส ม, มือนดอกไม้สีแดงก็ต้องว่าสีแดงเ น, นาะเพราะมันโผล่ออกมาจากเจกัน ก็เหมือนกับโทสะมันโผล่ออกมาจากจิตก็กำหนดทันทีกำหนดทันทีถ้าโทสะโทสะเนาะเบื่อเบือเนาะโหดูโหดหูก็กำหนดกำหนดโดยตรงเลยถ้ากำหนดโดยตรงอย่างนั้นนะที่ท่านไม่ตีความอะจึงเป็นภาวนามยาปัญญานะเป็นภาวนาทันทีนะเป็นภาวนาทันทีเมื่อเป็นภาวนาทันทีตรงนั้นเนี่ยที่ท่านกำหนดอะปฏิเวทเขาก็ปรากฏนะ ปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทก็ปรากฏเห็นถึงลักษณะของความโกลที่มันคู่คู่แฟกแฝอย่างไรท่านต้องกําหนดทันทีในเวลานั้นส่วนฐานธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เกิดตามมายตาณนะนะหูได้ยินเสียงกําหนดทันทีได้ยินหนอได้ยินหนอนั่นท่านก ำ, กำหนดตามไหนตามอาการอาการที่ท่านได้ยินที่ท่านกาหนดอาการที่ท่านได้ยิน แต่ถ้าท่านไปตีความเสียงอะไรใครทําอะไรเอากลายเป็นจินตามายาปัญญาอีกที่ท่านกาหนดได้ยินหนอะนั่นคือข้อมูลนั่นแหละคือข้อมูลเสียงคือข้อมูลถ้าเกิดท่านไม่ถ้าท่านเกิดไปปฏิเสธเสียงปล่อยวางไปอย่าไปสนแล้วท่านจะเป็นปัญญาได้ตรงไหนอ่ะเพราะท่านไปปฏิเสธข้อมูลเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงได้ยินหนอได้ยินหนอ กำหนดทันทีนั่นท่านกําหนดตามอาการเมื่อท่านกําหนดตามอาการท่านจะเห็นลักษณะที่ท่านได้ยินเสียงเสียงมันดับไปอย่างไรเสียงนั้นมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรที่ท่านกําหนดอ่ะท่านจะเห็นเลยมันเป็นอย่างไรพอท่านกําหนดไปเรื่อยกำหนดไปเรื่อยสติอ่ะมันไวสติมันไวเพราะฉะนั้นท่านต้องกําหนดทุกอย่างตั้งแต่รูปตั้งแต่เสียงตั้งแต่กลิ่นตั้งแต่รสตั้งแต่อะไรทุกอย่างอ่ะ ท่านกําหนดไปนะกำหนดตามความเป็นจริงทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะต้องกําหนดตามความเป็นจริงพอง่วง่วงเนอทําแห่งนิวร์ถีนามิตะกําหนดทันทีไม่ใช่พอง่วงท่านลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างหน้าทีหนึ่งง่ทีล้างหน้าทีโง่ทีเอาทําไมล้างหน้าแล้วโง่ด้วยก็ท่านทําลายข้อมูลนะถ้าท่านทําลายข้อมูลท่านเจอหนังสือเปิดหนังสือเจอตัวอักษรท่านฉีกทิ้ง พรท่านฉีกทิ้งอาจารย์แตไปเอาข้อมูลตรงไหนเพราะท่านฉีกทิ้งเธอแล้วและจะมีปริยัติตรงไหนได้อ่ะเพราะท่านไปฉีกข้อมูลทิ้งเพราะฉะนั้นง่วงอ่ะนั่นไงคือข้อมูลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปล้างหน้ากําหนดเลยง่วงหนอง่วงหนอง่วงเนาะกำหนดไปเลยถ้าท่านทําลายข้อมูลทีนึงโง่ทีนึงบวชทีนึงเปลี่ยนทีโง่ทีนึอืงนั่นไงเพราะท่านทําลายข้อมูลเพราะฉะนั้นกําหนดกําหนดรู้ความจริงข้อมูลจึงบริบูรณ์ ข้อมูลจึงบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านกำหนดตามความเป็นจริงแล้วทีนี้ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเปรียบเสมือนคนที่เขาทำงานในบริษัทบริษัท ร, รูปนาม ขัหคือบริษัทผู้ที่เข้าไปทำงานชื่อว่ากายชื่อว่าเวทนาชื่อว่าจิตชื่อว่าธรรมคนคุมมีอยู่หนึ่งคนก็คือชื่อว่าสติสติเป็นผู้คุมสติเป็นผู้คุมก็คือผู้ดูแลคนทำงานนั่นแหละคือคนคุมดูแลผู้ทำงานไม่ใช่เป็นผู้ที่มาไล่คนงาน พอท่านพองยุบทำไมวันนี้มีแต่พองแต่ยุบไม่มีอะไรเลยเอา้าก็คนชื่อกายเขาขายันนะก็ให้เขาทำไปสิเราก็กําหนดไปกําหนดไปพอปวดปวดหนออ้อนี่คนชื่อเวทานามาทำงานแล้วไอ้วันนี้ทำไมปวดทั้งวันเลยอาจารย์เอา้าก็คนชื่อเวทานามันขยันน่อยไงก็มันขยันก็ใหม้มันทำไปสิ ไม่ใช่พอปวดแล้วท่านจะไปไล่มันไม่ให้มันปวดเอาท่านมีสิทธิ์คนคุมงานก็คุ้มไปสิไม่ใช่ไปไล่คนทำงานพอปวดรับไม่ได้คนงานคนนี้มันขยันเหลือเกินชื่อว่าเวทนามันขยันนะไม่อยากคบมันเลยมันขยันเหลือเกินเอาก็มันหน้าที่ของมันก็หน้าที่ของมันมันทางานเราก็มีหน้าที่ดูมันทำงานที่ไหนก็นี่บริษัทรูปน้ำนี่แหละ มันกำลังเข้าทำงานนะเราก็มีหน้าที่ดูมันนีงกำหนดรู้ไปสิดูมันมันขยันทำงานแต่ถ้าท่านเกิดไม่ดูมันปวดท่านเกิดไม่กำหนดท่านเกิดปรุงแต่งเมื่อไรจะหายถ้าท่านมัวแต่ท่าเลาะอยู่กับคนชื่อเวทนาท่านกลับไม่ได้ดูคนงานอื่นเลย จะดูคนงานชื่อกายก็ไม่ได้ดูชื่อจิตก็ไม่ได้ดูชื่อธรรมก็ไม่ได้ดูเพราะอะไรเพราะท่านมัวแต่ทะเละคนทํางานชื่อเวทนาเฮ้ยทําไมมันปวดเลอะเกินไอทำไมมันเป็นอย่างนี้มันปวดกําหนดไม่ได้เพราะท่านว่ากําหนดไม่ได้เท่านั้นเนี่ยฐานเวทนาท่านก็กําหนดไม่ได้แล้วท่านจะได้กําหนดฐานกายไม่ไหมแล้วก็ได้กําหนดฐานจิตไหมไม่ได้กําหนดมันก็ปล่อยพุ้งไปเรื่อยกับเวทนาลุ่งไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ เพราะอะไรอ่ะอ๋อเพราะท่านมัวแต่ไปทะเลาะกับคนงานไปทะเลาะเขาไม่ได้ให้ท่านมาทะเลาะกับคนงานเพราะท่านเป็นผู้คุม้มเมื่อท่านเป็นผู้คุมท่านก็ดูก็ที่เวทนาเขาขายันทํางานก็ทําไปปวดหนอะปวดหนาะเขาปวดที่ขาปวดที่เอวปวดที่ไหนก็ปวดขึ้นมาอย่างไรมันเรื่องของเขา เขาจะทําทั้งวันวันหนึ่งแล้วก็ทําไม่พอสองวันสามวันสี่วันห้าวันให้เขาทํำไปทําไม่พอเขาจะทําได้สักกี่วันเรามีหน้าที่กําหนดรู้ไม่ใช่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ใช่มีหน้าที่ไปห้ามเขาอย่าทํำนะเวทนาอย่าทําฉันอย่างนั้นนะฉันทนไม่ไหวและฉันจะตายแน่แล้วเอาไม่ได้ก็เป็นเขามาทํางานในบริษัทของรูปนามของขันห้านี่เขาขายันวันนี้เขาขายันก็ให้เขาทําไป พอบางวันฐานจิตมันขยันอีกอวันนี้คุ้งทั้งวันเลยไม่รู้เป็นไงเซ็งบ้างหุดหิดบ้างเบื่อบ้างเอาก็จิตมันมาทํางานวันนี้จิตมันขยันทํางานเรารู้สึกเบื่ อ, อกเอ็เบื่อเนาะเบื่อเนาะเบื่อเนาะไม่ใช่เบื่อแล้วลุกขึ้นหนีไม่ใช่ถ้าเบื่อแล้วลุกขึนน้นหนีโอ้โหลุกขึนน้นหนีทีหนึ่งโง่ทีเองล้ออะไรก็เพราะท่านอยากจะต้องการทําลายฐานจิต เพราะฉะนั้นจิตนะกำหนดรู้ไปเบื่อหนอเบื่อหนอเซ็งหนอหอดหูเนอที่เขามาทํางานเขามาทําอยู่ในรูปนามในขันห้าแต่สติเป็นผู้คุ้มสติเป็นผู้คุมเมื่อสติเป็นผู้คุ้มก็คุ้มไปสิไม่ใช่คุณมาไล่คนงานออกฐานจิตรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกยังไงกําหนดไปรู้สึกหูดหิตยังไงกําหนดไปรู้ความจริงไปรู้จิตในจิตกําหนดไปกําหนดไป แต่นี่พออะไรเบือ่อวันนี้เบือ่อจานขี้เกียจกําหนดไม่ได้เลยพอท่านบอกขี้เกียจกำหนดไม่ได้ถามดูท่านจะได้กําหนดพงยุบไหมไม่ไม่ได้กําหนดได้กําหนดเวทนาไหมไม่ไม่ได้กําหนดเสียงอะไรเกิดขึ้นได้กําหนดไหมไม่ได้กําหนดเป็นไงเบือบ่อเบื่อเพราะท่านมัวแต่ท่านเลาะ อ, อยู่กับคนงานมันที่มันชื่อจิตนะเพราะฉะนั้นท่านดูมันดิมันขยันทํา ทำก็ทํำไหมเบื่อเนอะเบื่อเนอเออกาหนดดูไปเรื่อยๆกําหนดดูก็ไปเรื่อยๆฐานทำบางทีมันขยันทํางานเลอเกินวันนี้นั่งง้อ่วงเนี้ยเนี้ยมันง้ออยู่อย่างนั้นเนยก็กําหนดมันไปสิไม่ใช่เพราะง้อก็ทําไมวันนี้มันง่วงเลอะเกินเฮ้ยทำไมมันง่วงเลอะเกินเอาไปวินิจฉัยมันทําไมมันง่วงก็มันง่วงไงเออ มันขยันโง่ไงมันโง่ห้พอให้มันง่วงไ้พอก็มันมาทํางานของมันเน่ะเพราะหน้าที่ของมันเออเพราะมันชื่อทํามันก็มีหน้าที่ทํางานในบริษัทของรูปนามกันฮะเมื่อมันมาทํางานก็กําหนดไปง่วงเนอะง่วงเนอะทั้งวันก็ให้มันง่วงไงพอเราก็กําหนดไปไม่ใช่พราง่วงนั่งตีความทําไมมันง่วงเหลือเกินวะวันนี้ทําไมมันง่วงเหลือเกินเอาไม่ต้อง ถ้าท่านมัวแต่วินนิชัยมัวแต่นั่งตีความมัวแต่อย่างนั้นนะเป็นวิจิกิจฉาตลอดเลยวิจิกิจฉาตลอดเพราะฉะนั้นท่านต้องฟังให้ดีแล้วท่านจําไว้ให้ดีว่าผมบอกว่าไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหาเหตุผลท่านมีหน้าที่รู้จริงมีหน้าที่รู้จริงแล้วท่านจะมาตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ให้มันไม่ได้นะการฝึกวิปัสสนานี่ท่านมาตั้งกฎเกณฑ์ให้มันไม่ได้ว่า วันนี้พงยุบนั่งหนึ่งชั่วโมงพงยุบต้องยี่้านาทีนะเวทนาต้องยี่บนาทีนะฐานจิต25้านาทีนะฐานธรรมต้องยี่ส้านาทีนะได้ชั่วโมงอย่างละยี่บ้าอย่างละยี่้านาทีไม่ใช่ไม่ใช่ท่านตั้งกฎเกณฑ์ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ไม่ไ ด, เไได้เพราะวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริง ความเป็นจริงท่านไม่ต้องคิดท่านรู้อย่างไรกำหนดอย่างนั้นรู้อย่างไรกำหนดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิปัสนารู้แบบไม่ต้องคิดที่ท่านรู้สึกปวดท่านไม่เคยคิดไปเลยว่ามันจะปวดที่ท่านรู้สึกได้ยินท่านไม่เคยคิดไวเลยว่ามันได้ยินท่านรู้สึกว่าวันนี้ท่านหูหิดท่านไม่เคยคิดไวเลยว่ามันต้องหูทิดวันนี้มันง่วงท่านไม่เคยคิดไวเลยว่าวันนี้มันง่วง วันนี้มันปวดหัวท่านไม่เคยคิดเลยว่ามันปวดหัวความจริงมันเกิดในขณะปัจจุบันความจริงเกิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงท่านอย่าลืมอย่าลืมเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานสี่นี่เขาออกมาทำงานของเขาออกมาทำงานตามฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรม สติเขามีหน้าที่ก็คือคุมคนงานคุมคนงานไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนงานไม่ใช่นะไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนงานเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้รู้รู้จริงมันพองมันยุบอย่างไรต้องกําหนดอย่างจดจ่อจริงๆต้องกําหนดเมื่อท่านรู้อย่างนี้เนะี่ยเป็นปัญญาตลอดนะเป็นปัญญาตลอดเพราะฉะนั้นการกําหนดแต่ละอย่าง ท่านกําหนดให้ถึงความรู้ส <scenery? S 1> ึกจริงๆแต่ท่านมากําหนดแบบไหนอะพอท้องพองยุบอะบางทีเหมือนกับท้องอะพองยุบพองยุบพองยุบเหมือนกับท้องะพอปวดปวดหนาปวดเนาปวดหนอะปวดเนาปวดหนอปวดเนาปวดเนอพอจิตรู้สึกเบื่อเบื่อเนาเบื่อเนาเบื่อเนาเบื่อเนาเบื่อเนาะพอวงว่างเนอะวงเนาเหมือนกับท่องเหมือนกับท่องเพราะฉะนั้นเวลาท่านกําหนดพองกายวาจาใจ ต้องเป็นหนึ j ing, j ing? ่งเดียวกันพองหนอยุบหนอถ้าพองถ้ายุบกําหนดตามความเป็นจริงที่ความรู้สึกปรากฏจริงๆพอปวดเหมือนกันท่านกําหนดไปตรงปวดจริงๆปวดหนอปวดหนอปวดหนอให้เข้าไปถึงความรู้สึกจริงๆเข้าไปถึงความรู้สึกจริงๆแล้วการกําหนดเวทนา ท่านฟังให้ดีนะการกำหนดเวทนาเหมือนกับท่านเป็นทาหารแล้วออกรบท่านเป็นทาหารนะท่านออกรบบางทีท่านคิดว่าของพลของผมมากกว่าพอท่านเริ่มปวดนิดหนึ่งท่านก็กำหนดปวดหนอปวดหนอลุยไปเลยนั่นเหมือนกับว่าท่านชงสั่งทาหารลุยเลยปวดหนอปวดหนอ ปวดนแต่พอท่านกาหนดอย่างนั้นโอ้โหมันยิ่งปวดมันยิ่งปวดเข้ามาใหญ่พอยิ่งปวดใหญ่เหมือนกับว่าพลทหารของท่านนี่มันชู้ไม่ไหวแล้วชู้ไม่ไหวแล้วทีนี้ท่านต้องกำหนดแบบชั้นเชิงกำหนดแบบชั้นเชิงนะปวดหนอค่อยๆดูเขาไปปวดหนอค่อยๆดูเขาปวดหนอ ยังสู้ไม่ไหวอีกยังสู้ไม่ไหวรบแบบกองโจรรบแบบกองโจรปวดหนอได้ยินหนอปองหนอยุบหนอเดี๋ยวก็ไปดูทีหนึงปวดหนอแล้วก็ถอยอีกถอยไปกาหนดอย่างอื่นอีกนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอ แล้วก็ปวดหนอที ก, ก็ถอยอีกนั่นรบแบบกองโจรเข้าไปจู่โจมทีๆแล้วก็ถอยแล้วก็จู่โจมทีๆแล้วก็ถอยพอท่านจู่โจมทีๆท่านถอยเขารบไม่ค่อยกล้าพุ่งแล้วเวทนานี่มันจะเริ่มลดเวทนาเริ่มลดเพราะอะไรอ่ะเพราะสมาธิของท่านไม่มั่นคงไงสมาธิไม่มั่นคงถ้าท่านกําหนดปวดหนอปวดหนอสมาธิอ่ะมันมั่นคง เมื่อสมาธิมั่นคงอ่ะปัญญามันชัดท่านจึงเห็นปวดชัดเจนว่ามันเคลื่อนไหวอยู่อย่างไรเพราะสมาธิมั่นคงแต่พอท่านรบแบบกองโจรสมาธิไม่ค่อยมั่นคงนะปวดหนอทีหนึ่งแล้วก็มานั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอเท่ากับท่านสลับสมาธิจากที่เวทนามาอยู่ฐานกายสมาธิมันเลยไม่มั่นคงไม่ตั้งมันเวทนาจึงลด แต่พอท่านจะเข้าไปสู่เวทนาอีกทีนี้ปวดหนอปวดหน อ, หนอกำหนดแบบมั่นคงอีกกาหนดแบบมั่นคงอีกแล้วบางรูปพู่าปวดอาจารย์ไม่มีสมาธิเลยว่าไม่มีสมาธิเลยเอาก็มีสิสมาธิไม่มีได้ไงสมาธิอยู่ในฐานเวทนาสมาธิอยู่ในฐานเวทนาตอนนั้น ที่ท่านกำหมดปวดเนาะปวดเนนั่นไงสมาธิเขาอยู่ในฐานเวทนาเมื่อสมาธิอยู่ในฐานเวทนาปัญญาจึงชัดอยู่ในฐานเวทนาท่านจึงเห็นเวทนามันเคลื่อนอยู่อย่างไรอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นแหละคือสมาธิอยู่ในฐานเวทนาจิตที่ท่านรู้สึกเบื่อรู้สึกฟุ้งอ่ะที่ท่านกำหมดฟุ้งเนเบื่อเนาะฟุ้งเนาเบื่อเนนั่นแหละเท่ากับมีสมาธิอยู่ในฐานจิต ที่ท่านกําหนดอ่ะพุ่งหนอพุ่งหนอพุ่งหนอแต่ว่าถ้าท่านเกิดไปสงสัยเฮ้ยทําไมมันคุ่งเลอเกินในทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่มีสมาธิที่ท่านกําหนดพุ่งหนอพุ่งหนอนั่นแหละคือสมาธิมั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงอ่ะปัญญาเขาจะเห็นชัดถึงลักษณะของความพุ้งที่มันผูกแฟฝงมันเป็นยังไงจะชัดตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องกําหนดต้องกําหนดเข้าไป ให้ชัดเจนนะท่านกําหนดเข้าไปให้ชัดเจนเมื่อท่านกําหนดชัดเจนอย่างนี้ท่านจะเห็นความเป็นจริงอยู่ตลอดเป็นจริงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมาธิของวิปัสสนาผมได้บอกให้ท่านเข้าใจแล้วว่าสมาธิของวิปัสสนาเกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญาสมาธิของวิปัสสนาเกิดจากปัญญา ท่านกำหนดเหมือนท่านกําหนดหนึ่งครั้งอ่ะมันเป็นแค่ขั้นนิกาสมาธิขั้ิกาสมาธิมันเห็นปัญญาแค่แค่นั้นเองแค่นิดหนึ่งท่านห้องนี้มืดท่านจุดเทียนเล่ม น, นึงอ่ะเหมือนกับ น, นั่นแหละคือสมาธิสมาธิมันเป็นแสงสว่างเท่านั้นท่านจึงเห็นสิ่งของได้ไกลขนาดนั้นที่ท่านเห็นสิ่งของได้เพราะปัญญาแต่แสงสว่างนี้เปรียบเสมือนเหมือนสมาธิ แต่ปัญญาท่านย่อมจะเห็นสิ่งของต่างๆในวงแสงสว่างแต่ถ้าท่านจุดเทียนเรื่อยปักจุดเทียนเล่มหนึ่งปักจุดเทียนเล่มหนึ่งปักจุดเทียนเล่มหนึ่งปักจุดเรื่อยจุดเรื่อยแค่ค ing, ขั้นนี้กะอย่างต่อเนื่องอ่ะกลายเป็นแสงเทียนนี่มันสว่างกว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยวกว้างไปเรื่อยเพราะมันดับไม่ทันอ่ะมันต่อเนื่องไปเรื่อยผลที่สุดปัญญาท่านเลยเห็นของเต็มไปเสียหมดเห็นของนี่เต็มไปเสียหมด นั่นแหละเพราะอะไรเพราะสมาธิที่มันรวมพลังมากๆเพราะสมาธิของวิปัสสนามันเกิดจากปัญญานะและสมาธิที่เกิดจากปัญญาเกิดอย่างไรสมาธิเกิดจากปัญญามันเกิดอย่างไรก็ที่ท่านกําหนดท้องโพงจริงไม่จริงที่ท่านกําหนดอยู่นั่นแหละเป็นเพราะมีสมาธิที่ไม่ผิดไม่พลาดปวดหนอปวดหนาะนั่นเพราะท่านรู้ความจริงจึงเป็นปัญญา แล้วมีสมาธิมันคงอยู่กับฐานเวทนาที่ท่านรู้สึกเบื่อเนาเบื่อเนาเบื่อเนานั่นแหละท่านมีสมาธิอยู่ที่ปัญญาที่รู้ความจริงว่าท่านเบื่อท่านว่วงกำหนดว่วงเนอะ่วงเนอนั่นแหละท่านมีสมาธิที่ท่านทําอยู่กับความว่วงตรงนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดจากวิปัสสนาสมาธินั้นจึงเป็นปัญญานะสมาธินั้นจึงเป็นปัญญาแล้วปัญญานี้เกิดมาจากไหน ปัญญานี้เกิดมาจากตัวสติสัมปชัญญะที่เข้าไปรู้ความจริงเมื่อมีสติสัมปชัญญะสตินั้นรู้ที่ไหนสตินั้นรู้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมจึงชื่อว่าสัมมาสติไม่ใช่มิจฉานะชื่อว่าสัมมาสติเมื่อสัมมาสติชื่อว่าสติ ที่มีถูกต้องที่มีความถูกต้องอยู่ในปัจจุบันจึงชื่อว่าผลทางแห่งอริยะผลทางแห่งผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐไปไหนไปโลกุตระปัญญาไปโลกุตระปัญญานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ท่านนั่งปฏิบัติถามดูว่าท่านมีความสุขไหมที่ท่านนั่นแต่ละคนพอไปสอบอารมณ์เบื่ออาจารย์ ปวดอาจารย์สิงอาจารย์โอ้โหแล้วมานั่งเป็นเดือนเดือนนะถามดูว่ามีสุขไหมใครบอกมีสุขบ้างไหนลองยกมือดูสิเออผมอยากจะทราบใครมีสุขบ้างไหนยกมือดูสิที่มานั่งปฏิบัติผมสุขเหลือเกินถ้าท่านกำลังสุขเหลือเกินท่านกำลังโง่เหลือเกินเพราะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่า สัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ท่านปฏิบัติมันทุกข์เหลือเกินอาจารย์มันหดมันเบื่อมันเซ็งมันคุ้มมันหดหิตไม่รู้อะไรต่ออะไรมันเบื่อเสียหมดอาจารย์อ๋นั่นแหละคุณกําลังเกิดสัมมาทิฏฐิคุณกําลังเกิดสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษูทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุก ตกลงที่ท่านเห็นทุกทนั่นท่านกําลังเห็นความเป็นจริงของรูปนามแล้วรูปนามเนี่ยคือตัวทุกรูปนามขันห้าขันห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากองทุกขันห้าเนี่ยคือกองทุกเพราะฉะนั้นที่ท่านกําลังปฏิบัติแล้วท่านกําลังเห็นทุกของรูปของนามนี่แหละจึงทําให้ท่านเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดความยินดีต่างๆของรูปของนามท่านจึงไม่มีความยินดี ในรูปในนามในขนันห้าเพราะมันเป็นสาภาวะของกองทุกข์ทั้งนั้นนั่นไงที่ท่านกําลังเกิดสัมมาทิฏฐิอ่ะเพราะฉะนั้นที่ท่านก็ไปสอบอารมณ์ท่านบอกอาจารย์มันทุกข์มันเส็กมันหุดหินมันไม่เป็นฉุกเลยอ๋อนั่นไงถูกต้องแล้วท่านแต่ถ้าท่านบอกผมปฏิบัติมันฉุกเหลือเกินท่านนเนเนเ น, น, น, น, นท่านกําลังผิดแล้วกําลังผิดทางแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะการปฏิบัตินี่ต้องให้เห็นทุกข์ ต้องให้เห็นทุกข์ของรูปของนามของขันหา้าเมื่อเห็นทุกข์ของรูปนามขันห้นั้นท่านกำลังเห็นความจริงแล้วเพราะทุกข์ของรูปนามขันห้ามันอยู่ที่ไหนอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วท่านจะเบื่อหน่ายคลายความหนักความกำหนัดคว า, ามยินดีของการเกิดเพราะชาตินี้ท่านทุกข์เพราะอะไรอ๋อก็ทุกข์เพราะรูปเพราะนามนี่แหละทุกข์เพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แหละมันทุกข์ของรูปนามขันหา้า และที่ท่านเกิดชาติที่แล้วอ่ะทุกเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเพราะรูปนามขันหานี่แหละก็ทุกเพราะรูปเพราะนามเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แหละท่านบอกวู้ยชาติหน้าผมคงจะไม่ทุกข์เหมือนขนาดเนี้ยถ้าท่านเกิดไม่ต้องห่วงท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากอีกมันหนีไม่พน้นเพราะนี่มันทุกในวัตฏะทุกของรูปนามเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดท่านเห็นทุก ที่ท่านกําหนดนท่านเห็นทุกเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้เห็นทุกที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนให้เห็นทุกก็คือให้มีสมาธิก็คือสอนให้เห็นทุกเห็นทุกของอะไรของรูปของนามของความเป็นจริงเมื่อเห็นทุกของรูปของนามของความเป็นจริงให้เห็นเหตุของทุกเหตุของทุกก็คืออะไรคือตัวอวิชชา ที่ท่านไปวิจิตรฉาไปปรุงแต่งนะทําไมมันปวดอย่างนี้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละตัวเหตุของทุกข์มันเป็นสมูทัยพอเป็นสมูทัยตัวนั้นมันเป็นอัตตาเกิดอะเป็นตัวกูทําไมกูเจ็บทําไมกูเป็นอย่างเนี้อะที่พระพุทธท่านบอดมันตัวกูของกูอตัวนั้นมันเกิดตัววิกิจตรกิจฉาเมื่ออวิชชาเกิดพบชาติมันก็เกิดอะก็เป็นเหตุของทุกข์สมูทัยมันก็เกิดอ่ะ เมื่อสมุทัยเกิดก็เรียบร้อยพบชาติมันเกิดเพราะฉะนั้นเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเมื่อเห็นเหตุของทุกก็คือละละเหตุของทุกพระพุทธเจ้าสอนในละนะแต่พอท่านเห็นทุกท่านคิดว่ายังไงทุกมันต้องดับปัดโถใครสอนในดับทุกพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกกําหนดรู้ทุกกําหนดรู้เพราะฉะนั้นท่านต้องกําหนดรู้ กำหนรู้ท okay. ี่ไหนก็รูปน้ํากันาดรู้ความจริงกําหนดไปเรื่อยกําหนดไปเรื่อยกําหนดรู้ความจริงอะรู้ความจริงรู้ความจริงพอท่านรู้ความจริงะท่านจะรู้อที่ท่านพองท่านยุบรู้ความจริงท่านไปวินิจฉัยไม่ได้วินิจฉัยอะไรมันพองก็มันแต่อาการอาการมันพองมันยุบรลักษณะมีแค่พองแค่ยุบมันรู้สึกตึงหย่อนอ่อนแข็งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเออแล้วมันมีหญิงไหมไม่มี ชายในพงยุคมีไหมไม่มีกะเทยทอมมีไหมไม่มีไม่มีชายขวาไม่มีมันมีแต่อาการลักษณะของธาตุที่มันปรากฏของรูปของนามที่ปรากฏพอปวดนอ้อยที่ท่านปวดนอถามดูมีหญิงอยู่ไหมมีชายไหมมีซ้ยายไหม ม, ม, มีขวาไหมไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกของการความรู้สึกของรูปของนามที่มันปวดมันเคลื่อนไหวตึงหย่อนอ่อนแข็งอยู่ แต่พอท่านเข้าไปวินิจฉัยอุ้ยทำไมปวดเหลือเกินมันเป็นโรคอะไรวะไอ้ตรงใช่นี่เราทำกรรมตีหัวตีควายมากลายเป็นขาหัวขาควายปวดนั่นเป็นหัวเป็นควายเป็นสัตว์เ ป, ตวเป็นตัวตวนบุคคลเราเขาเกิดทันทีหาวิชาทันทีเพราะฉะนั้นคือละคำว่าละสมุทัยก็คือละในการวินิจฉัยก็คือสิ้นคิดสิ้นหวัง ไม่ต้องไปมีเหตุผลกับมันรู้อย่างไรเอาอย่างนั้นรู้อย่างไรเอาอย่างนั้นเมื่อท่านไม่ไปคิดไปเสริมไปสร้างไปหาเหตุผลถามดูโลคโกนหลงเกิดได้ไหมเมื่อโลคโกนหลงเกิดไม่ได้จึงชื่อว่านิโรธวิราคะนิพานะนิพานทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะที่ท่านกำหนดอ่ะเพราะโลคโกนหลงไม่ได้เกิดเลยที่ท่านรู้ความจริงอ่ะนิพานมันทุกขณะทุกขณะทุกขณะอย่างต่อเนื่องอ่ะทุกขณะที่ท่านกําหนดอ่ะทุกขณะ เพราะมันเป็นแค่คาิกะทุกขณะมันนิพพานอยู่ตลอดอ่ะเพราะมันเป็นนิโรธาตลอดที่ท่านกําหนดอ่ะเพราะสมมูไยมันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่ไปหวังไปคิดไม่ไปหาเหตุผลมันเมื่อไปไม่ไปหวังไปคิดไปหาเหตุผลสมมูไยไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดรู้จริงงานเลยเท่ากับเป็นนิโรธะอยู่ตลอดนิโรธะวิราคานิพนาเขาเกิดอยู่ตลอดของเขาที่ท่านรู้ความจริงเพราะฉะนั้นท่านต้องกําหนดเอาความจริง เอาความจริงไม่ต้องเสริมไม่ต้องส ร, ร้างไม่ต้องหวังไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปแต่งรู้จริงรู้จริงรู้จริงแต่ละขณะแต่ละขณะสามุทัยสามุทัยเขาละสามุทัยเขาละถ้าโลภโกรธหลงไม่เกิดชื่อว่านิโรธทธันทีถ้าเกิดคว า, ามมืดไม่เกิดมันต้องเกิดแสงสว่างแน่นอนถ้าแสงสว่างไม่เกิดต้องมืดแน่นอน ถ้าปัญญาไม่เกิดง่ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าปัญญาเกิดโง่ดับถ้าสา ม, มูไทยสา ม, มูไทยละเอาเป็นไงหนอะเอาอีกแล้ว